ในนักราสูตรสังยุตตนิกายนิทานวัร์พระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายก่อนแต่สำโพธิเมื่อยังไม่ตรัสรู้เป็นโพธิสัตว์อยู่เราได้มีความคิดว่าโลกนี้ประสบความทุกข์ยากเสียนักย่อมเกิดแก่ตายจุติและอุบัติแต่ทั้งที่เป็นเช่นนั้นก็หารู้จักนิสสรณะแห่งทุกข์คือชรามรณะนิมั คือหารู้จักทําเป็นที่สลัดออกภาวะดุดรอดปลอดพ้นความเป็นอิสระหรือทางออกแห่งทุกข์คือชาราเมรณะนี้ไม่เมื่อไรเล่านิสรณะแห่งทุกข์คือชาราเมรณะนี้จากปรากฏเราได้มีความคิดดังนี้ว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนอชาราเมรณะจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยชารามรณะจึงมีเพราะโยนิโสมนสิการ เราก็มีอภิสมัยคือความรู้ชัดจำเพาะลงไปด้วยปัญญาว่าเมื่อชาติมีอยู่ชรามรณะจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีเมื่ออะไรมีอยู่หนาชาติจึงมีเมื่ออะไรมีอยู่หนาพภพจึงมีอุปาทานจึงมีตัณหาจึงมีเวทนาจึงมีพัทสะจึงมีสลาัตรณะจึงมีนามรูปจึงมี วิญญาณจึงมีเพราะโยนิสโสมนาสิการเราได้มีความรู้ชัดจำเพาะลงด้วยปัญญาว่าเมื่อนามรูปมีอยู่วิญญาณจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเราได้มีความคิดว่าวิญญาณย่อมบกกลับเพียงแค่นี้ไม่พ้นเลยไปจากนามรูปได้ด้วยเหตุผลเพียงเท่านั้นจึงเกิดแก่ตายจุติหรืออุบัต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 จึงมีด้วยประการชนิ้จากสุเกิดขึ้นแล้วญาณปัญญาวิชาแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแกเราในธรรมทั้งหลายที่ม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนว่าสมุ ท, ทยัยสมุ ท, ทยัยดังนี้พิกษุททั้งหลายเราได้มีความคิดดังนี้ว่าเมื่ออะไรไม่มีหนอชารามรณะจึงไม่มีเพราะอะไรดับชารามรณะจึงดับ พระโยนิโสมนัสิการเราได้มีอภิสมัยคือความรู้ชัดเฉพาะลงไปด้วยปัญญาว่าเมื่อชาติไม่มีจรามรณะก็ไม่มีเพราะชาติดับจรามรณะจึงดับเมื่ออะไรไม่มีหนอชาติจึงไม่มีเมื่ออะไรไม่มีหนอภพจึงไม่มีอุปาทานจึงไม่มีตันหาจึงไม่มีเวทนาจึงไม่มีผัสสะจึงไม่มี สลาญตณะจึงไม่มีนามรูปจึงไม่มีวิญญาณจึงไม่มีเพราะโยนิโสมานสิการเราจึงได้มีความรู้ชัดเฉพาะลงไปด้วยปัญญาว่าเมื่อนามรูปไม่มีวิญญาณก็ไม่มีเพราะนามรูปดับวิญญาณจึงดับเราได้มีความคิดว่าเราได้บรรลุมรรคคาเพื่อความตรัสรู้นี้แล้วกล่าวคือเพราะนามรูปดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับ นามรูปจิงดับเพราะนามรูปดับสลายตนะจิงดับผัสสะเวทนาตันหาอุปาทานพบชาติจรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปาญาตจึงดับความดับแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จึงมีด้วยประการชนี้จากสุเกิดขึ้นแล้วยานปัญญาวิ ช, ชาแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เรา ในธรรมทั้งหลายที่มิเคยได้ยินได้ฟังมาก่อนว่านิโรดนิโรดดังนี้ภิกษุทั้งหลายเราได้เห็นมรรคาเก่าหนทางเก่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปางก่อนทั้งหลายเคยเสด็จไปแล้วได้แก่มรรคามีองค์แปดประการอันประเสรฐนี้เองกล่าวคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตสัมมาอาชีว สัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิเราได้ดำเนินตามมรรคานั้นเมื่อเดินตามมรรคานั้นจึงได้รู้ชัดซึ่งชรามรณะรู้ชัดซึ่งสมุทัยแห่งชรามรณะรู้ชัดซึ่งนิโรธแห่งชรามรณะรู้ชัดซึ่งปฏิปทาอันนำไปสู่นิโรธแห่งชรามรณะรู้ชัดซึ่งชาติรู้ชัดซึ่งสมุทัยแห่งชาติรู้ชัดซึ่งนิโรธแห่งชาติ ู้ชาดซึ่งปฏิปทาอันนำไปสู่นิโรธแห่งชาติู้ชาตซึ่งพบอุปาทานตัณหาเวทนาผัสสะสลาญตนะนามรูปและวิญญาณู้ชาตซึ่งสมุทัยแห่งพบเป็นต้นจนถึงวิญญาณู้ชาตซึ่งนิโรธแห่งพบเป็นต้นจนถึงวิญญาณู้ชาตซึ่งปฏิปทาอันนำไปสู่นิโรธแห่งพบเป็นต้นจนถึงวิญญาณู้ชาตซึ่งสังขารทั้งหลาย รู้ชัดซึ่งสมุทัยแห่งสังขารรู้ชัดซึ่งนิโรธแห่งสังขารรู้ชัดซึ่งปฏิปทาอันนำไปสู่นิโรธแห่งสังขารครั้นรู้ชัดความนั้นแล้วจึงบอกแก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายพรมจรรย์คือชีวิตประเสริฐหรือไตรสิกขาซึ่งเท่ากับพระาศาสนาจึงเจริญแพร่หลายแพขยายเป็นที่รู้ของผู้หูชนเป็นปึกแผ่น จนเทวะและมนุษย์ทั้งหลายประกาศกันได้เป็นอย่างดีสำนวนแบบที่กล่าวสรุปการบรรลุอาสวัคยายานหรืออารหัตผลหรือปัญญาวิมุตตของสาวกหรือบุคคลทั่วไปก็มีหลายสำนวนมีทั้งที่เหมือนหรือคล้ายอย่างนี้และที่แปลกออกไปบ้างแต่จะไม่ยกมาแสดงในที่นี้เพราะเมื่อว่าโดยสาระสาคัญแล้วก็ลงในแนวเดียวกันกล่าวคือ สภาวธรรมหรือสังขารธรรมทั้งหลายมักถูกแยกแยะออกเป็นส่วนย่อยในรูปต่างๆซึ่งโดยมากแยกออกเป็นขันหหรืออายตนะ12แล้วพิจารณาความจริงตามแนวตรายลักษ์คืออนิจจตาทุกขตาอนัตตามีมากแห่งที่เน้นเฉพาะแง่ที่เกี่ยวกับอัตตาและภาวะที่เป็นอนัตตาบางคราวก็สืบสาวความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยตามแนวปฏิจจสมุปบาทจะพูดในแง่หลักปฏิบัต ก็จะเป็นการกล่าวถึงหลักธรรมหมวดใดหมวดหนึ่งในพวกโพธิปักกิยธรรม37ประการซึ่งโพธิปักกิยธรรม37ประการก็ได้แก่สติปัฏฐานสสัมมาประทาน4อิทธิบาท4อิน 5, รี่ห้าภละหโพุทชงเจและมักมีองค์8